ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทรพและทัศนาชีวิตผมวสินนทัศระผู้ดาเนินรายการวันนี้คิดว่าจะให้เป็นวันสุดท้ายสำหรับเรื่องพระนัตเจรถ้าคุยกันมาหลายครั้งเกือบเดือนนะครับวันจันทร์วังคานพุทธที่จะถึงข้างหน้าถ้าเผื่อจะต่อไปก็คงครบเดือนพอดี วันเสาวอาทิตย์เมื่อวานนี้ผมคุยกับท่านพุกธนัรใจแบบเด็กาแล้วก็การนับถือพระจนันทรใจแบบแก้บนหลับศีลนบ น, นี้วันนี้ก็จะพูดต่อไปนะครับให้จบในเวลาพูดถึงเรื่องการอ้างคุณพระจนันทรใจว่าควรจะมีพื้นฐานอย่างไร ก็ควรจะมีพื้นฐานอยู่ที่ศรัท ธ, ธาที่มั่นคงในเทวนาฏใจตั้งใจประกอบคุณงามความดีไม่ใช่ห้างลอยลอยนะครับไม่ใช่อ้างลอยลอยแล้วก็พร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสกลลโลกถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดหรือที่ไหนแจะยิ่งไปกว่า คุณงามความดีไม่มีหรอกครับคุณงามความดีนั่นแหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงของชีวิตแล้วพระระัตนาใจที่บุคคลเข้าถึงแล้วด้วยใจนั่นก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําชีวิตได้ชาวอินเดียเนี่ยอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันมาตั้งนานแล้วตั้งหลายพันปีแล้ว ก็ยังยากจนอยู่เหมือนเดิมแต่คนที่อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดไม่มีใครมากกว่าคนอินเดียหายจากความทุกข์ยากลำบากเรนนี่หินกับหูกับตามนุษย์ต้องช่วยกันเองถ้าเผื่อเทวดาท่านจะช่วยก็ก็ก็เชิญมาช่วยามาช่วยด้วยเมตตาการุณาก็มาช่วย แต่ถ้าหวนวอนกันอยู่แล้วก็หวังยากตัวอย่างที่ว่าเราจะรู้จักพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระสองฆ์อย่างแท้จริงตองเมื่อเราเข้าถึงธรรมคุณแระตนใจจะมีจริงก็เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามพระตนใจเท่านั้นไม่ใช่จูกแก้วเล่าแล้วก็ห้างขึ้นพร้อมกัน เขาห้างคุณพระัตนใจขึ้นพร้อมกันชูกแก้วเล่าไปพร้อมกับห้างคุณพระรัตนใจแล้วแก้วเหล้าก็อยู่เหนือเสียนพระที่เขาแขวนคอได้อีกด้วยเาจะเอาพระรัตนใจที่ไหนมาช่วยถ้าเขาไม่ได้ขอรบพระรัตนใจด้วยใจจริงแต เ, เป็นการลกหลอกลวงที่นี่ ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามธรรมแล้วถ้าแม้เราจะไม่ขอให้พระรันตนตรัยช่วยท่านก็ช่วยเราเองเหมือนกับเรากลางร่มออกนะครับเรากลางร่มออกเวลาฝนตกฟ้าร้องเรากลางร่มออกแดดออกเรากลางร่มออกร่มจะช่วยเราอีกคือว่าป้องกันไม่ให้เราเปียกหรือไม่ให้ร้อน แต่ทนี้ถ้าเราไม่กลังลมออกแม้จะอ้อนวอนขอร้องสักเท่าไหร่ลมเขาช่วยเราไม่ได้ช่วยเราไม่ได้เราอยากปฏิบัติต่อพระตรัตรายอย่างเป็นไสยศยาสตร์แต่ขอให้เรากังลมออกคือว่าถ้าเราเอากระดาษใส่ลงไปในกองไฟไม่ต้องอ้อนวอนก็ได้กองไฟตจงไม่เฉิดมันไหมเอง ถ้าเราใส่ลงไปในน้ําก็เหมือนกันเขาไม่ต้องบอกน้ำว่าจงดูดซับเถอจงให้กระดาษเปียกเธอดกระดาษมันเปียกเองกระดาษมันเปียกเองถ้าเราทําถูกทําถูกตามวิธีการต่างๆแล้วธรรมะมันเผากิเลสเองก็ธรรมะมันเผากิเลสเองเมือนกัเราเอากระดาษใส่ลงไปในกองไฟ ไม่ต้องไปห้อนวอนกองไฟไว่าให้มันไหม้กระดาษมันไหม้ของมันเองมันมีหน้าที่อย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราอยู่ในถ้ำเราก็ร่มเย็นเองอเหมือนกับเราเอากระดาษแย่ลงไปในน้ํากระดาษมันเปียก ม, มันก็เย็นของมันเองเพราะนั้นขอให้เราปฏิบัติต่อพระอรัตนตรายอย่างเป็นพุทธศาสตร์ ไม่ใช่อย่างไยยาตราคือว่าอย่าหอ้อนบอนให้ท่านทำอะไรให้เราแต่ ว, ว่าจงถือท่านเป็นแสงสว่างที่เราผู้มีจักสุต้องเห็นสิ่งต่างๆต้องเห็นสิ่งต่างๆเองภายใต้แสงสว่างนั้นแล้วก็ดับความมืดในใจได้ดับทุกได้ นั่นแหละครับคือคุณอันแท้จริงของพระัตนารยใจทีนี้พูดในทางที่จะปฏิบัติได้ทันทีก็คือว่าความรู้ในเรื่องการดับทุกขนั่นแหละครับคือพระพุทธถ้าจะเอากันมาเป็นแกนในจริงๆริงแความรู้เรื่องการดับทุกนั่นแหละคือพระพุทธแล้วก็ตัวการดับทุกนั่นแหละคือพระธรรม แต่ผู้ที่ได้รับความสงบเย็นเพราะการดับทุกข์ได้นั่นแหละคือพระสงฆ์ตัวจริงพระสงฆ์ตัวจริงก็คือว่า arrived. ผู้ที่ได้รับความสงบเย็นเพราะการดับทุกข์ได้นั่นเป็นพระสงฆ์ตัวจริงใครก็ได้ใครก็ได้จะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นอุบาสกอุบาสิกากเป็นใครก็ได้ที่ได้รับความสงบเย็นเพราะการดับทุกข์ นั่นแหละคือประสงคงตัวจริงแต่ด้เปล่ากาส่์ที่เป็นโดยรูปแบบพระพุทธรธรรมพระสงฆ์นี่นะครับต่างกันเพียงชื่อแต่โดยความแล้วเป็นอันเดียวกันมีภาสิทธิ์ซึ่งนักปราท่านได้แต่งเอาไว้ว่าพุทธโธธรรมโมสังคโฆจาิีนานาห น, นตปิวัตถุโต พระธรรมพระสงฆ์แม้จะต่างกันโดยชื่อต่าง ก, กันโดยชื่อก็สิ่งอัญมัญญาวิโยคาวะเอกีภูตัมปนัตถะโตแต่ว่าโดยใจความแล้วเป็นอันเดียวกันเพราะว่าไม่แยกเพ็ราสามเหลี่ยมอยู่ในเม็ดเดียวกันแต่เป็นสามเหลี่ยมไอ้ข้าวมันก็เป็นเพศในเม็ดเดียวกัน ตามในยนี้ก็คือเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงค์โดยคุณสมบัติเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงค์ตามสายตาของผู้มีปัญญาเจาะลึกไม่ใช่มองเพลินเป็นแต่รูปแบบหรือว่ามองพระธรรมมองกระดาษที่พิมพ์เป็นพิพิพระธรรมไม่เป็นตัวพระธรรมไม่ใช่ นนั้นถ้าเก่าแล้วเก่าแล้วเราเผาเสร็จก็ได้แล้วก็กพิมพ์ใหม่แต่ถ้าเป็นพระธรรมนี่เราเผาไม่ได้เราเผาไม่ได้แต่พระธรรมก็คือการปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเป็นตัวพระธรรมพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องเขาเป็นพระสงฆ์แล้วก็ความรู้ที่ถูกต้องผู้ที่รู้ถูกต้องน่านก็คือพระพุทธ มันก็อยู่ในคนคนเดียวกันนั้นในมองในมองในแง่ลึกมองในส่วนลึกแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็มีความประสงค์อย่างนั้นด้วยต้องการจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านไม่เห็นแก่ตัวท่านไม่มีอะไรสำหรับเราองค์เองว่าต้องการให้ทุกคนพึ่งตัวเองได้ภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายต้องพึ่งตนเองต้องพึ่งทำ อย่าพึ่งสิ่งอื่นเลยเราจะธาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทาตงตัวเมิจจังอาตพังความเพียงท่านต้องทำเองอากาศใจรู้ธาตถกัจากจารถาตถธาตคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นถ้าไม่เดินไปตามทางก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ถึงนี้ถ้า ปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อพระรธนใจแล้วพระพุทธรูปนั่นแหละจะมาบังไม่ให้เห็นพระพุทธเจ้าอันนี้ขอให้นึกดูให้ดีนะครับขอให้นึกดูให้ดีพระพุทธรูปที่เขาเล่นเล่นกันอยู่นั่นแหละที่เอาพระพุทธรูปมาเล่นกันอยู่นั่นแหละนั่นแหละจะมาบังไม่ให้เห็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าไปติดอยู่ที่อิฐหินปูนทรายหรือว่าทําด้วยเงินทําด้วยทองคํา ทำด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็เอามาเล่นกันอยู่เอาพระพุทธเจ้ามาเล่นกันอยู่ในรูปของพระพุทธรูปแบบต่างๆสีต่างๆวัสดุต่างๆที่เอามาทํากันคือแล้วก็มีความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆกันไปว่าองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ทางนั้นองค์นี้ขลังในทางนี้องค์นั้นเป็นเมตตามหาน니จมองค์นี้รอดองค์นั้น โชคลาภอะไรก็ว่ากันไปแ ล, แล้วแต่จะโฆษณากันไปนั่นแหละนั่นแหละจะถ้าเพื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องอก็จะพระพุทธรูปนั่นแหละจะบังไม่ให้เห็นพระพุทธเจ้าองค์จริงก็ไปติดอยู่ตรงนั้นพระาธาตุก็เหมือนกันพระาธาตุก็เหมือนกันถ้าเพื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องพระาธาตุก็จะบังไม่ให้เห็นพระธรรม ฟังไม่เห็นพระพุทธเจา้าผมไปบรรยายไล่แหงก็มีคนถามเรื่องพระาธาตุเลยผมก็บอกว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องพระาธาตุผมดูไม่เป็นว่าอย่างไรเป็นพระาธาตุแท้อย่างไรเป็นพระาธาตุเทียมหรืออะไรผมไม่ได้สนใจสนใจแต่พระธรรมพระาธาตุจะเป็นอย่างไรจะเป็นของพระพุทธเจา้าจะเป็นของพระอราหันต์จะเป็นของใครก็แล้วแต่ผม ไหวได้ทั้งนั้นแต่ก็ไหว้ในฐานะที่ว่าเป็นสิ่งที่เขาลบได้ในนามของพระธาตุแต่ว่าไม่สนใจว่าท่านเป็นอะไรเป็นของใครแต่ว่าสนใจพระธรรมสมมุติว่าพระธาตุของพระสารีบุตรกับพระธรรมของพระสารีบุตรที่พระสารีบุตรได้กล่าวไว้อะไรจะเป็นประโยชน์มากกว่าท้าลองนึก ด, ดู ลองนึกดูว่าอะไรจะเป็นประโยชน์มากกว่าถ้าเกิดเราเอาพระธรรมที่พระสารีบุตรท่านสอนเอาไว้แล้วก็มาปฏิบัติตามกับการที่เรากลับไหว้พระธาตุของพระสารีบุตรโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคําของพระสารีบุตรเลยออย่างไหนจะมีค่ามากกว่ากันลองนึกดูแต่บางคนไม่มีลูกอยากได้ลูกไปขอลูกจากพระพุทธลูกบางลูกบางแหง จะเป็นไปได้อย่างไรพระพุทธรูปมีเหรียญตราก็มีแขนวนไว้ที่อังศาหรือ ว, ว่าคนอยากมีเหรียญตราถ้าใช้แล้วก็เอาเหรียญตราไปถวายพระพุทธรูปด้วยก็ทาดีเหมือนกันก็นึกว่าพระพุทธรูปมันทนะ่านคงอยากจะมีเหรียญตราเหมือนอย่างที่คนให้อยากจะได้อยากจะมี ภาษาวกรุ่นหลังอ้างความเคารพพระพุทธเจ้าแต่การกระทำไม่ได้ส่อให้เห็นความเคารพเลยอยาเคารพพระพุทธเจ้าอยากต่างๆนานาโดยผ่านทางพระพุทธรูกแต่ว่าการกระทำไม่ได้สอให้เห็นความเคารพเลยเขากระทำไปต่างๆแบบต่างๆเช่นว่าเที่ยวแสวงหาพระพุทธรูปที่ดีเด่นที่ครั้งไรศักด์สิทธิ์องค์เล็กๆ แล้วก็อาไปแขวนคอเสร็จแล้วก็ไปงานเลี้ยงแล้วก็ไปกินเหล้ า, าทั้งทั้งที่มีพระพุทธรูปแขวนคออยู่นั่นแหละแล้วก็อ้างเอาคุณพระศรีศรัตนไตรมาช่วย อ, อย่างนี้เขาอ้างความเคารพพระพุทธเจ้าแต่การกระทําของเขาไม่ได้สอให้เห็นความเคารพเลยก็บางคนเคารพพระพุทธเจ้าจนไม่กล้าแขวนพระไม่กล้าแขวนพระพุทธรูป ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าว่าเรากระทำสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างสมควรบ้างไม่สมควรบ้างเหมือนกับนําท่านมาเกลือกลัว้วกับสิ่งที่ไม่ดีต่งตางๆที่เราเป็นผู้ทําแต่ทีนี้ผู้ที่กระทําโดยอ้างเอาอความเคารพแต่การกระทําไม่ได้สอไปถึงความเคารพมีแต่มุ่งเอาประโยชน์ทางวัตถุจากพระพุทธเจ้าในนามของพระพุทธลูก แต่ถือว่าพระพุทธรูปนั่นแหละเาเป็นวัตถุแห่งการแสวงหาผลประโยชน์ต่า ง, างๆนานามากมายวันนี้ผมได้กล่าวสารุปสรุปเรื่องของพระรัตนใจสรุปเรื่องของพระรัตนใจถึงสรุปเรื่องของพระธรรมแล้วก็สรุปเรื่องของพระสงฆ์วา่าพระพุทธเจ้าองค์จริงนั่นคืออย่างไรพระธรรมที่แท้จริงคืออย่างไร แล้วก็พระสงฆ์ที่แท้จริงนั้นคืออย่างไรเราต้องการที่จะบำรุงที่จะบำรุงศาสนาโดยผ่านทางพระอาจัรย์แต่ที่นี่ตัวแท้ของศาสนาก็คือพระธรรมก็คือพระธรรมไม่ใช่ไม่ใช่โบทวิหารการไปเรียนไม่ใช่อะไรอื่น ที่มีอยู่มากมายไกายกองแต่ว่าตัวแท้ก็คือพระธรรมในการที่จะบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองให้ถูกวิธีก็คือการทีใ่ให้มีธรรมะขึ้นในใจของแต่ละคนให้มีธรรมะขึ้นในใจของแต่ละคนะชาวพุทธเราไม่ควรจะบำรุงศาสนาแต่เปลือกนอกกลายเป็นเปลือก มากแล้วก็เนื้อน้อยนิดเดียวแต่ว่ากล่าวในยันหนึ่งว่าตัวจริงของศาสนาก็คือความสามารถที่จะดับทุกข์ได้นั่นแหละคือตัวจริงของศาสนาให้เรามาช่วยกันบำรงธรรมะให้เจริญเถิดแล้วทุกอย่างก็จะเจริญขึ้นอย่างไม่น่ากลัวไม่ใช่เจริญอย่างน่ากลัวแต่ว่ามันจะเจริญขึ้นอย่างไม่น่ากลัว จะให้เป็นทำนองที่ว่าตั้งใจจะปลูกต้นแต่กลายแต่กลายมาเป็นยญ้าคามันน่าเสียดายแล้วก็หญ้าคานี่ยมันขุดยากมันลงรากแล้วมันขุดยากมันทําให้ตายยากประโยชน์มันน้อยกว่าเพราะเสียแรงมากกว่าแต่ถ้าเรามีเงินปลอมแต่ถ้าเรามีเงินปลอมแล้วเรามีมากๆ แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นของปลอมนี่ครับเราก็สบายใจไปพักหนึ่งว่าเรามีเงินสะสมไมาเยอะแต่ว่าต่อมาต่อมาก็าความจริงปรากฏขึ้นว่างเงินที่เราสะสมเอาไว้นั้นเป็นเงินปลอมเราจะเสียใจสักเพียงใดถ้าเราสะสมเป็นเงินปลอมเอาไว้เป็นปลอมเอาไว้ธนาัตรปลอมเอาไว้มันใช้ไม่ได้ไม่ว่ามันใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะฉะนั้น อขอให้เรานับถือพระนัตใจบำรุงพระนัตใจบำรุงศาสนาให้ถูกให้ถูกตัวจริงตัวแท้ของศาสนาอย่าให้ไปถูกตัวปลอมทำบุญให้เป็นบุญทำบุญให้เป็นกุศลทำบุญให้ได้บุญให้เราจะช่วยกันบำรุงศาสนาบำรุงพระนัตใจาพาศาสนาไปได้ถ้มีฉะนั้นแล้วเรจะรวยเด็กเปลืก เนื้อใดมันไม่มีแต่ก็ชื่นชมแต่เปลือกนั่ก็สําเร็จประโยชน์ได้น้อยอท่านผู้ฟังที่เคารพครับเวลาหมดครับผมก็คิดว่าจะจบเรื่องพระรัตนตรัยแต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ก็ขอยุดดิด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอคุณงามความดีทั้งหลายได้ช่วยคุ้มครองให้ท่านและส่อความสุขสวัสดีความเจริญพาสุข ตลอดการทุกเมื่อสวัสดีครับ